สมาธิดีขึ้นนะเอบไปเพ่งเลวแล้วกันใจมันมีกำลังขึ้นแนละ้วตั้งมัน่นขึใจไม่มีแรงแบบแข่งไปแข่งมาภาวนาไม่ได้แต่ใจที่ตั้งมั่นก็ไม่ใช่ว่าตั้งแข็งทื่อๆไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่เจริญปัญญานะยากมากกว่าใจมันจะเข้าทางสายกลางที่ถูกได้ ใช่จะรู้ตื่นเบิกบานสงบร่าเริงไม่ใช่สงบแห้งแลง้งสงบเคร่งเครียดดีความยากที่สุดในการฝึกกรรมฐานนะก็คือการฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจุดนี้จุดจุดตายเลย จุดแตกหักเลยสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่จิตมันถูกไหมนะส่วนในเรื่องรูปแบบของการปฏิบัติเป็นเรื่องรองพุโทโธดีหรือหายใจดีผ่องยุคดีหรือสัมมารหัง น, าานะมะพาทาเหรือจะดูเวทนานะหรือจะเดินจงกรมนะนั่นเป็นแค่รูปแบบ ของการปฏิบัติเป็นเปลือกสุดสำคัญที่ต้องถูกนะคือจิตต้องถูกส่งสมาธิที่ถูกต้อง้ผิดที่จิตดวงเดียวนะจะไปทำรูปแบบอะไรมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันถ้าจิตมันถูกนะใช้กรรมฐ า, านอะไรมันก็เหมือนกันหมดนะใช้ได้ดชงนะัน้นไม่มีหรอกสายไหนดีกว่าสายไหนนะ ตอนหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดุลได้เจ็ดเดือนท่านรับรองแล้วว่าหลวงพ่อภาวนาถูกแล้วช่วยตัวเองได้หลูงพ่ อ, อตะเวนดูสำนักที่มีชื่อเสียงต่างๆนะไปดูเขาเขาภาวนากันยังไงบางสำนักเนะี่ยครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ดีๆก็มี บางสำนักครูบาอาจารย์ดีเดียวอยู่องค์เดียวรู้สิธิ์ไม่เป็นบางที่ไม่เป็นทั้งหมดเลยบางทีก็ฟุ้งซ่านคิดคิดคิดอาการปฏิบัตินั่งคิดเอาไม่ได้เรื่องหรอกมีปรัชนาว่าเห็นไม่ใช่แปลว่าคิด นั่งคิดเอาในแต่สมถะนะถ้เป็นสมถะที่ฟุ้งซ่านออกนอกมันไม่ใช่สมถะที่จิตตั้งมั่นที่ก็นั่งอ่านหนังสือเซนใจสว่างสบายจิตไปติดอยู่ในภพอันหนึง่งภพว่างๆภพสว่า ง, างภูมิใจว่าจิตดีเพราพ่อเคยเป็น ที่พูดพูดมาเนี่ยนะเคยทำมาแล้วทั้งนั้นไอ้ที่ผิดผิดเนะี่ยทำมาเยอะมากเลยก่อนจะเจอหลวงปู่ดนะูลดิ้นรนคนกวา่าแสวงหาตลอดเวลาเลยไม่อยู่เฉยคนระับลองอย่างโน้นลองอย่างนี้บางทีไปถูกทางแล้วแต่ไปต่อไม่ได้ยังเคยพี่จะหนักกายได้ยิน ครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านชอบพุดโธพี่หนักกายก็พียหนักกายบ้างจิตป็นส่งสมาธิพอดูตั้งแต่เส้นผมลงมาดูปุ๊บเส้นผมหายไปเลยเลยแต่หนังศีรษะดูหนังศีรษะนะ้หนังศีรษะเปิดไปเลยหายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวขาดไป ดูลงมาที่ตัวเนี้เนื้อหนังหายหมดเลอแต่กระดูกดูกระดูกกระดูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูกระดูกที่แตกกระจายลงไปนะกลายเป็นแสงสลายไปหมดเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวเหลือจิตดวงเดียวแล้วไม่รู้จะไปต่ อ, อยังไงนะมาได้แค่เนี้ยก็ไม่มีครูบาอาจารย์บอกให้ ที่จริงแล้วต่อยอดนีดเดียวคือพอสลายกายหลวงปู่หลุยนะเคยสอนหลวงพ่อสุจินทอะสลายกายเข้าสู่จิตท่านสอนให้มางกายมางกายแยกแยกแยกจนหมดกายเข้ามาที่จิตแต่นั้นมันเข้ามาที่จิตแล้วทำไปต่อไม่เป็นก็หยุดอยู่แค่นั้น ลราก็ทำสมาธิจเจริญบ้างเสื่อมบ้างแบบที่พวกเราเป็นนะแต่หลวงพ่อขยันกว่าพวกเรานะพวกเราทำบ้างไม่ทำบ้างผลัดบางทีก็ผลัดวันนี้เอไว้ก่อนเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างนี้หลวงพ่อไม่เป็นอย่างเราพ่อแก่ขึ้นรถเมล์หลวงพ่ อ, อยังภาวนาเลยก่อนจะเจอหลวงปู่ดูล น, นะขึ้นรถเมล์ได้ก็หายใจไปเรื่อยๆ ที่ได้นั่งนี่ยิ่งดีใหายใจกำหนดจิตไว้นะว่าใกล้ๆที่ทำงา น, นให้ใจออกจากสมาธิมาก็นั่งไปไม่ต้องกลัวเลยจิตมันรู้มากไปต่อไม่ได้นะเมื่อเจอหลวงปู่ดูล น, นะหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตเลย ท่านให้ดูจิตหลวงพ่อก็เข้าใจผิดทีแรกคลๆว่าเราต้องไปรักษาตัวจิตเอาไว้รักษาตัวผู้รู้ไว้จิตมันเข้าไปจับอารมณ์อะไรในหาทางแก้ไขอย่างมันไปยึดแน่นอยู่กลางหน้าอกเนี่ยแน่นๆเป็นก้อนเลยนะยทีแรกก็เจออย่างที่พวกเราเจอแน่นเป็นก้อนอยู่กลางหน้าอก ในีิว่า น, นี้เรามั่อกลัทุกข์นะไปอย่างนั้นได้นะต้องทนเอาดูยิ่งเพ่งแรงขึ้นแรงขึ้นมันมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆก็ยอมทนเอานะเพง่งเพงเพงไปทีมันก็แตกโป้องออกมาแราโอ้วันนี้ภาวนาดีนะอีกวันหนึ่งมันมาเกาะตัวขึ้นอีกแล้วเนี่ยทำไม่ถูกหรอก พอมันสลายตัวแตกจากก้อ น, นี้นะเป็นตัวผู้รู้ทรงตัวเด่นดวงีอยล่เราคิดว่าเนี้ตัวผู้รู้นี่พอหลวงู่ดุลบอกให้ดูจิตนะหลวงพ่อใช้วิธีแยกขันจิตต้องอยู่ในกายแม้ตรงตัวผู้รู้เนี่ยมาได้หลายทางนะทําสมาธิมาจนกระทั่งจิตเป็นผู้รู้ก็ได้ร่างกายหายไปเลยแต่จิตเป็นผู้รู้ ตอนมาเจอหลวงู่ดูลงท่าบอกให้ดูจิตว่ใช้วิธีดูดูลงในกายกายไม่ใช่จิตก็วางลงไปดูไปในเวทนาเวทนาไม่ใช่จิตก็วางลงไปหรืความคิดเป็นจิตนสงสัยจงใจคิดพุทโธสุสุโทโธกรุณามหันโมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาทังฮ่วงมหันมุกจงใจคิด ถ้าเราไม่จงใจคิดจิตมันก็แอบไปคิดเรื่องอื่นเองแลหละะแทนที่จะปล่อยจิตมันคิดเรื่องอื่นเราก็จงใจคิดเช่นมาคิดหมดสวดมนต์ที่เราชอบคิดอะไรไม่ได้ก็พูดโธธรรมโมสังโฆพุทธังสรารนังคฉ า, ามิอะไรก็ว่าไปเถอะแล้วเราก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันคิดเราจะเห็นกระแสของความคิดนะมันเหมือนงูนะ เลื้อยๆๆๆๆออกมาไม่เลื้อยตรงๆหรอกนะเลื้อยฉลกนี้ดนะ้วยออกมาจากความว่างๆกลางหน้าอกหรอกนี่เลื้อยขึ้นมาแล้วก็สลายไปในความว่างทันทีที่เห็นความคิดไหลขึ้นมานะตัวความคิดก็ใส่ความคิดก็ขาดสะบ้านลงไปตัวรู้ก็เด่นดวงขึ้นมารลวงพ่อถึงสอนพวกเราเรื่อยๆว่าให้รู้ทันจิตที่คิด ถ้ารู้ทันจิตที่คิดในจิตที่คิดจะดับจะเกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนนี่พอมาเจอจิตรู้แล้วไอ้ตัวนี้เห็นหมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่รู้จะทําทอะไรกับมันตอนนั่งสมาธิก็เจออันนี้มารู้ทันจิตที่คิดก็มาเจออีกตัวเดิมนั่นแหละเรไม่รู้จะทํำยัำยงไงให้นั่งจ้องนั่งเฝ้าให้หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตเนี่เยเราก็เลยจ้องใส่มันไว้แล้วหลวงปู่บอกว่าผิดแล้วล่ะะส่งกันบ้านท่านะ อยู่สามเดือนไปส่งคนบ้านถ้านบอทําทผิดแล้วอันนี้ไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปแทรกแซงจนมันนิ่งนิ่งว่างว่างมื่อให้จิตนิ่งจิตว่างแล้วหลวงพ่อก็เคยทําผิดมาละอยู่วความรู้สึกตัวนะแล้วก็ว่างเปล่าไม่คิดไม่นึกอะไรนะถึงบอกว่ามันผิด บางที่นะลูกศิษย์หลวงปูดด่ดูลเหมือนกันเลยท่านไม่เอานะลูกศิษย์คนนี้ท่านไล่ออกจากสำนักไม่รับไว้ชอบทําจิตให้ว่างจิตให้ว่างไม่สอนไม่ซ้ำไปอหลวงพ่อเคยทําำแล้วก็หลวงปู่บอกมันผิดจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปทําให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเหมือนไฟอะ มันต้องร้อนไม่ใช่ไปทำให้ไฟไม่ร้อนเหมือนลมมันต้องเคลื่อนไหวไม่ใช่ไปทำให้มันไม่เคลื่อนไหวจิตนี้ต้องคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้ไปทำให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่เมื่อมันคิดนึกปรุงแต่งให้มีสติรู้ทันนะครับพท่านบอกว่าทำผิดนะท่านไม่บอกว่าผิดยังไงหรอกท่านบอกว่าเนี่ยไปแทรกแซงอาการของจิตจนมันไม่ไม่คิดนึกปรุงแต่งไปทำใหม่ ทำไงก็ไม่บอกนะให้ไปทำเอาเองพ่อพามานั่งดูเราที่ผ่านมาเราไปแทรกแซงจิตพยายามให้จิตมันนิ่งให้จิตมันดีให้จิตมันรู้เนือ้อรู้ตัวท่านบอกเป็นการแทรกแซงต่อไปนี้เรายังไม่แทรกแซงจิตเป็นยังไงเราจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหัวใจอยู่ตรงนี้เลยการดูจิตจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็เนฝะ้ารู้เฝ้าดูลงไป เราก็เห็นว่าแต่และ ว, วันจิตเราไม่เคยเหมือนกันอย่างถ้าเรารับราชการอาทิตย์หนึ่งทํางานจันทร์ถึงศุกร์เนี้ยบ่ายวันอาทิตย์เนี้ยไม่สบายใจแล้วเห็นเบื่อวันอาทิตย์เป็นวันที่น่าเบื่อมากใครรู้สึกอย่างนี้มั้งบ่ายๆนะเช้าๆยังไม่เบื่อเท่าอย่างวันนี้เช้า ว, วันอาทิตย์ยังไม่เบื่อเดี๋ยวลองบ่ายๆนะจะเบื่อ ชาวันจันทร์เนี่ยอะไรเงี้ยวันอังคารวันพุธวันพุธนี่สุดเสงิจืดชืดเลยนวันพฤหัสแล้วเริ่มมีความสุขละเริ่มสดชื่นสดชื่นพอดีพอดีอดวันสุขเนี่ยก็ดีกระดามากเกินไปใจเริ่มฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ย ไ, ไปกินข้าวที่ไหนกับใครอะไรเงี้ย วันเสาร์วันพักผ่อนอยากจะนอนนานนานไม่นอนหรอกเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมาทำโน้นทนํานี่นอนนาน น, านแม่ด่าแม่ไม่ให้นอนนานนอนพระทิตขึ้นเนี่ยด่าแล้วนะว่าอะไรนอนพระอาทิตย์ขึ้นต้องตื่นมาก่อนพราทิตสอนมาอย่างนั้น เนี่ยสังเกตแต่แต่ละวันนะใจเราไม่เคยเหมือนกันเลยในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกใจเราก็ไม่เหมือนกันทีตอนเช้าขี้เกียจตอนสายแอค็คทีพึ่งมาแนละ้วเจอ ง, งานที่ถูกใจขยันทำเริยนทำจนคึกคัก ข, ข, ข้าวปลาไม่กินพอช่วงบ่ายๆเริ่มล้า เหนื่อยๆนื่อยง่วงๆว ง, งใครเป็นไหมช่วงบ่ายทำงานช่วงบ่ายเนี่ยง่วงๆ่ว ง, งไม่อยากทำอะ่ะก็อย่ามา น, นิมนเทศบ่ายโมงนะน่าเกลียดตัวเองก็ง่วงหลวงพ่อเห็นหน้าเราหลวงพ่อก็ง่วงด้วยนะตามคนฟังจิน้นง่วงกัอนเลยมนเล พะตอนแรกบ่าสามโมงบ่สี่โมงนะใจค่อยๆตื่นตัวตอนนั้นรับราชการเลิกงานสี่โมงครึง่งพอสี่โมงเนี่ยใจร่าเริงแล้วกำลังจะพ้นหน้าหัวหน้ากองซึ่งหน้าเบือ่อหน้าเบือ่อไม่ต้องทำเสียงด้วยจะได้ถ่ายทอดความรู้สึก เดี๋ยวเไรจะได้เลิกพอสี่โมงครึ่งจะบอกเดี๋ยวอยู่ทําโอหน่อย <c oughs> ไม่ได้อยากอยู่ราชการนั้นทําโอทีได้สามสิบบาทเองทำตั้งหลายชั่วโมงชั่วโมงนึงไม่กี่ตังคนะ์ใช่ไหมนั้นวันไหนไม่มีธุระอะไรนะร่าเริงนี่อ่านใจตัวเองไป เป็นชอ็ชอตๆ็ตไปนะเช้าสายบ่ายเยน็นค่ำดึกเลยนะความรู้สึกไม่เหมือนกันก็นะดูไปเร้่ความเปลี่ยนแปลงแต่ละวันไม่เหมือนกันในวันเดียวกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันจิตใจพอดูได้ชานิชำนาญ น, นะต่อไปเห็นว่าแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินเสียง ความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้รับรสลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนไปกินข้าวสมมติเราเจอของชอบใจสมมติชอบกินไข่เจียวสมมติสั่งข้าวไข่เจียวมากินปรากฏว่าแม่ค้าลืมใส่น้ำปลานิดหนึ่งในไข่เจียวกินเะนี้ยไปแล้วจืดสนิทรู้สึกไง ไม่ได้เรื่องแค่นี้ก็ทำไม่เป็นก็เนะติมน้ำาปล่าเองไม่เท่าไรหร่แร้วเติมได้บางวันนะแม่ค้าทำขวดน้ำปลาหกไข่นะลูกหนึ่งใส่น้ำปลาไปตั้งเยอะอะไรเงี้งงนะโอ้เค็มปีเลยโนะนะมโหนะโอ้โหว่าอะไรวะทำอะไรชุยขนาดนี้เนะนี่ยแค่ลิ้นกระทบรนะความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ใครชอบกินอะไรบ้างได้ข่าวว่าคนจีนชอบกินทุเรียนนะคนไทยกินทุเรียนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคนจีนเพิ่งเกิดเคยรู้จักทุเรียนไปซื้อมาเยอะๆเลยมีสตังค์เยอะเนี่ยแล้วไม่ต้องไปกินอย่างอื่นนะเช้ามาก็นั่งกินทุเรียนไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกเลยคําแรกนะมีความสุขพอใจกินไปเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็อยากอาเจียนแนละ้ว ขนาดรถก็รถเดิมนะแต่คนละช่วงเวลากันนะคนละบริบทสถานการณ์เปลี่ยนไรเงนะี้ยความรู้สึกอะไรยังไม่คงที่เลยอาหารอย่างเดิมนะคําแรกอร่อยที่สุดไรเงนะี้ยคำไทยๆนะั้นเริ่มเบื่อเริ่มเอียนแต่พวกเราไม่ค่อยรู้หรอกเพราะอะไรนั่งกินข้าวไปคุยโม้ไปนะคุยโน่นคุยนี่หรือคิดฟุ้งซ่านเลยเอาอะไรยัดปากเข้าไปยังไม่รู้เลย เดี๋ยวไปลองดูนะจริงหรือเปล่าอาหารแต่ละอย่างนียรสชาติยังไงไม่รู้หรอกเพราะตอนที่กินไม่มีสตินะตอนที่กินไ่นั่งคิดนั่งเมานั่งอะไรไปจิตมันรับรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอเราไปรับรู้เรื่องราวที่คุยกันหรือบางคนนะไปกินข้าวร้านอาหารต้องมีดนตรีฟังดนะ้วยสาวเสิร์ฟก็สวยดนตรีก็เพราะ อาหารก็อร่อยนี่โง่ที่สุดเลยที่เข้าร้านแบบนี้เสียเงินเป็นค่าบริโภคอาหารค่าฟังดนตรีค่าดูสาวเสิร์ฟสวยๆแต่ว่าจิตมันรับอารมณ์ได้ครั้งแล้วย่างเดียวไปนั่งร้านหรูๆนะสวยงามอะไรเงี้ยมัวแต่ดูโน่นดูนี่ของอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้หรอกกินแล้วเสียของไม่รู้หรอกว่าอร่อยหรือเปล่า เมื่อดูสาวสวยเดินไปมาเพลงออกเพราะไม่ได้ยินหรอกอยันเสียงเงินเพื่อบริโภคหลายสิ่งหลายอย่างแต่บริโภคได้ครั้งละอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์ะลรเท่าไหร่ในพระไตรปิฎกก็มีนะเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิอย่างพระพุทธเจ้าเรา เ, ยเคยเปลี่ยนจักรพรรดิเป็นเจ้าโลกปกครองโลกทั้งโลกลไม่มีใครต่อสู้ได้ ท่านบอกท่านมีอาหารเนี่ยแต่ละมือเนี่ยนะอาหารเป็นร้อยร้อยอย่างเป็นพันอย่างมีอาหารเป็นพันพันจานที่จะกินได้ท่านกินได้จานเดียวมาความสามารถในการบริโภคมันมีแค่นั้นอ่ะท่านมีเมียเด็กๆนะแปดหมื่นสี่พันคนคงมีประจําตําแหน่งไว้งั้นแหะนะคงจําหน้าไม่ได้ว่าใครเป็นใคร ท่านบอกว่าท่านก็นอนกับผู้หญิงได้มาละคนอย่างเงี้ยมีเยอะๆแต่ไม่ใช่บริโภคได้งั้นเนี่ขิดจำกัดมันมีงั้นอย่างบางทีเราถ้าเราสติเราไวนะเราจะรู้เลยว่าจิตเนียรับอารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเวลาที่ดูหูมันก็ไม่ได้ยินเวลาที่ได้ยินนะตามันก็ไม่ได้ดูอย่างเงี้ยเวล า, าที่คิด ตาก็ไม่เห็นจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่รู้รสอย่างบางคนคลุ่มใจกินข้าวของที่เคยชอบอ่ะอกหักมาเป็นทุกข์ใจมากนะคิดมากเนะีกินเข้าไปไม่อยากกินอนะ่ะรู้สึกไหมไม่อร่อยอนะ่ะไม่อยากกินนะเพราะอะไรเพราะใจมันหมกมุ่นในเรื่องที่เศร้าหมองอาหารอร่อยอยังไงนะใจไม่รับรู้ เพรจริงๆแร้จิตรับอารม์ได้ครั้งได้ช่องเดียวอย่างเดียวนะเราคอยสังเกตที่จิตเราตาเห็นรูปจิตมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรารู้หูได้ยินเสียงจิตมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรารู้จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรามีสติรู้นี่เราถึงีะเป็นนักปฏิบัต ไม่ใช่พอเห็นหน้าศัตรูมาจิตจะโกรธก็บังคับไม่ให้โกรธอันนี้แทรกแซงจิตจิตจะโกรธก็ไม่ว่าจิตนะแต่ว่ามีสติรู้ทันว่าจิตโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงาจิตแล้พไปชกเขาแล้วไปตบเขานะรู้ทันจิตตนเองไปตาเห็นัยเห็นคนสองคนเดินมาแต่ไกลมองไปแต่ไกลโอ้โนี่เพื่อนรักของเรานะ ดีใจดีใจดูไปอีกทีมันเดินมากับใครได้มากับศัตรูของเราเฮ้ยทำไมมันแปลพักไป เ, เข้ากับศัตรูเราเนี่ยโมโหเพื่อนนะไอ้ศัตรูเราเกลียดอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้ชักเวชันเพื่อนละโมงยังไงแน่วะไอ้พวกนกสองหัวนกสองหัวดีไหมดีถ้าใครมีแล้วรวย <c oughs> หนกหัวเดียวก็ธรรมดาคนจีนอาจจะงงนกสองหัวเนี่ยตาเราเห็นใจเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนเวลาปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนมีสติรู้ที่ใจอันเดียวพอนะแต่ว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็กระทบรสมีกายก็กระทบสัมผัส มีใจก็คิดนึกเป็นธรรมชาติธรรมดาปล่อยให้มันทำงานไปอย่าไปบังคับอย่าไปห้ามมันนี่พอมันทางานแล้วใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงมีสติรู้ทันไปใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆยไม่สุขไม่ทุกข์ใจนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วงั้นใจนี้เป็นยังไงเรามีสติตามรู้ไปวต่อไปปัญญาจะเกิด มันจะเห็นเลใจที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับใจที่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับใจเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับใจที่ดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับใจที่โลภที่โกรธที่หลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับสุดท้ายใจมันก็จะฉลาดมันจะเห็นทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อย่าเท่าเทียมกันด้วยการคิดเอานะต้องมองให้เห็นไตรลักษณ์แล้วใจเป็นกลางถึงจะใช้ได้ยังบางคนมันใช้วิธีคิดเอานึกอ่านหนังสือเสร็จนะสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นนั่งก็ไม่ยึด้นี่ก็ไม่ยึดแล้วใจเฉยเฉยอันนี้เป็นการปรุงแต่งจิตให้เฉยนะจิตไม่ได้เฉยเพราะปัญญากันที่จิตเฉยเฉยจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยทํานะทได้หลายแบบนะ ทำโดยสมถะก็ได้อย่างการที่นั่งอ่านนั่งสือเซนแล้วใจเฉยๆนะมองโลกว่างเปล่าโลกนี้ว่างเปล่าอนะไรเงี้ยมันน้อมใจคิดคิดคิดเอาแล้วใจมันเฉยเฉยอันนี้เป็นเฉยเพราะสมถะนะหรือเราเข้าฌานจิตเป็นอุเบกขาถนะอนออกจากสมาธิมาอยู่กับโลกเนะี่ยจิตมันจะนิ่งๆเป็นอุเบกขาไปอีกช่วงหนึ่งเลยนะนานนะแต่ไม่เกินเจ็ดวันนะ มันก็จะเสื่อมเนเฉยเพราะสมาธิน้อมใจคิดเอาก็เป็นเรื่องของสมาธิแต่งจิตให้ว่างก็เป็นเรื่องของสมาธิส่วนการเจริญวิปัสสนานะจะดูเห็นความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับความดีความชั่วเกิดแล้วดับในทสุดจิตมันเห็นนะทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนเหมือนกัน ระหว่างสุขกัทุกข์เนี่ยเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันงั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตไม่หลงยินดีเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ยินร้ายเวลากุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีเวลากิเลสเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินร้ายเนี่ยมันเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถึงจะใช้ได้นันคือคำว่าสังขารู้เปกคขายาน สัง k a r u เป k h a ญาณเนี่ยเป็นญาณที่สูงที่สุดที่เราจะปฏิบัติได้ในทางมิปัสสนานะที่เหลือเนี่ยจิตจะเดินไปเองแล้วนะตรงมรคญาณผลญาณใ น, น, นเนี่ยโคตรภูญาอะไรพวกนี้จิตจะเดินเองของเราทําได้ถึงสัง k าร u p e k h a ญาณคือเฝ้ารู้เฝ้าดูสภาวะทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ เรีว่าสังขารู้เปกขายานมาจะธรรมยานอยานแปลว่าปัญญาเห็นไหมไม่ใช่นั่งคิดเอาหรือทําสมถะทําสมาธิแล้วจิตเป็นกลางอันนั้นไม่ใช่สังขารู้เปกขายานไปอ่านหนะังสือเซนหรือไปฟังวลีไพเราะในการแสดงธรรมบางทีก็พูดธรรมะนะมีคําคมฟังแล้วแม้มันดูดตื่มใจหลวงพ่อเห็นแล้วอยากเบิดกระโหลกมากเลย อ้นั่นมันสมถ ะ, ะแยกไม่ออกจะขึ้นมาสู่ความเป็นกลางได้ต้องมีสังขารูเป็คขายานคือมีปัญญาที่ทำให้เป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงมีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงมันจะเกิดปัญญาที่เป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงได้เมื่อมันผ่านกระบวนการของมิปัสสนาญาณ เดินปัญญานะด้วยวิปัสนามันเห็นนะทุกสิ่งเกิดแล้วดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับทุกสิ่งถูกบีบคั้นให้สลายตัวนะทุกสิ่งบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุต้องเห็นไตรลักษณ์นะแล้วจิตเนี่ยหยุดการดินน้นรนนะตอนที่จิตหยุดการดิ้นรนด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยตรงนี้จึงจะเป็นประตูของมรรคผล เมื่อวาหลวงพ่ออ่านหนังสือเส็จ น, นะจิตว่างๆอยู่เนี่ยแล้วก็บอกตัวเองว่าเนี่ยจิตไม่ยึดถืออะไรซักอย่างที่จริงกำลังยึดถือสภาวะว่างๆอันนี้อยู่หลวงพ่อถึงยอมไม่ได้นะมาเผยแพร่ละทิพย์เราคิดว่าจะทำให้เกิดมรรคผลไม่เกิดหรอกได้แต่ความสบายใจโงๆ่ๆเฉยๆที่พูดว่าโง่ๆเนีี้เพราะโง่มาแล้วโง่มาแล้ว เมื่อก่อนนี้พระอ่านหนังสือเซนจิตไป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อก็คิดเลยว่าถ้าเราทรงจิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะบรรลุมรรคผลหรือไม่ก็ทรงอยู่อย่างนั้นเลยพักนานนะนึกจะส่งอย่างนั้นเมื่อไหร่ทรงได้ทันทีเลยสรงจิตไปนิ่งๆว่างๆวันหนึ่งก็สังเกตเห็นนี่แต่งขึ้นมานี่หว่านี่ความว่างๆอันเนี้ยความเป็นกลางอันเนี้ยแต่งขึ้นมานี่หว่าไม่ใช่ของจริง ได้รู้เลยว่าถ้านิ่งว่างเป็นกลางนะเพราะเราไปปรุงแต่งเนี่ยเป็นสมถะนะแต่ถ้านิ่งว่างเป็นกลางเพราะเรามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปรธรรมนามรธรรมอันนั้นเฉิงถึงจะใช้ได้เนะเราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยทิ้งการรู้รูปนามไม่ได้นะทิ้งการเจริญมีปัจจนาไม่ได้ตอนนั้นนะอู้อนหัสือหลวงพ่อพุทธทาสนะเราเพี้ยนไปหมดเลย ท่านไม่ใช่ท่านผิดนะท่านสอนดีท่านสอนถูกเราโง่เองอ่านแล้ไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ดีท่านก็พระาชั้นเลิอองหนึ่งพอเรารู้ว่าเราผิดน่ะมันทุกอย่างว่างเปล่าหมดเลยชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีเทวดาไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนเนี่ยทุกอย่างว่างเปล่าเพราะเราไม่ยึดถืออะไรสัอย่าง จริงๆยึดถือไอ้คอนเซปต์อันนี้ยึดถือความคิดอันนี้ยยึดอยู่นั่นแหละพออาจารย์สุชีพปุญญยานุภาพท่านชี้ให้ดูว่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิกราบท่านเลยนะกราบหลวงพ่อเจอท่านเลยหลวงพ่อกลับกับพื้นเลยท่านเป็นฆรวาสนะก่อนนี้ท่านเป็นพระท่านสึกออกมาเสร็จแล้วหลวงพ่อก็แค้นใจท่านพุทธทาสหลวงพ่อลงไปส่วนโมกเลย ถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนยเหรอครับเเริ่มต้นไม่มีรีรอเลยนะเข้าไปหาปกลับท่านออกมานั่งท่านตัวโตกับหลวงพ่อตอนนี้ไม่รู้ใครจะโตกว่าท่านน่าจะโตกว่าเพ้าท่านนั่งม้าหินตัวหนึ่งนั่งคนเดียวอะพอนั่งก็ยีหินนะมีพนักผิงไก่มันจะโดดขึ้นมาเกาะข้างๆท่าน ถ้านั่งแล้วไม่มีไก่เนี่ยแสดงว่าพุทธะท่านตัวปลอมปลอมเป็นท่านมาให้ไก่มันรู้มันไม่มาไปถึงแล้นวดขยําขาท่านนะนนวดท่านนั่งกัดจามาติแล้วก็นวดท่านเนี้ยท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์บอกตายแล้วสูญหรอกครับให้บอกคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิหรอโอ้เราไหวท่านเลยรู้แล้วว่าเราโง่เองอะ ถ้าท่านรู้นี่ว่าถ้าเห็นว่าตายแ ล, ล้วศูญย์เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เราอ่านหนังสือท่านไม่เข้าใจเองเลยถามอีกช็อตหนึ่งท่านอาจารย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือท่านอาจารย์ให้หมดทุกเล่มเลยผมจะได้โสดาบันไหมไม่ได้หรอกต้องภาวนาเท่านพูดอย่างนี้เลยนะเพราะนไอ้ประเภทนั่งคิดเพ้อเจ้ออะไรนีใช้ไม่ได้หรอกเนะ หลวงพ่อเอาเรื่องเหมือนกันนะะสตัยนั้นตอนนั้นยังไม่เจอหลวงปู่ดุลเที่ยวแสวงหาในที่สุดแล้วก็กราบท่านเพื่ม อ, อกเพื่มใจโอ้เรามันโง่หลวงพ่อนะเวลาเจอครูบาอาจารย์นะแล้วท่านสอนเนี่ยเราพิจารณาเราก็จะเห็นความโง่ของเราเองตรงนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์มากเลยถ้าครูบาอาจารย์สอนแล้วเราปกป้อง ทฤษฎีของเรานะไม่ยอมรับฟังไม่ยอมพิจารณาฉันถูกอะ่ะอาจารย์ไม่รู้จริงอะ่นะะถ้าอย่างเนี้ยอุบาทหนะึนะ่งชีวิตเนี้ไม่มีทางเจริญเลยกูเก่งกูเก่งนะไปพยองลําพองต่อหน้าครูบาอาจารย์อย่างว่าแต่รุ่นพวกเราเลยนะรุ่นหลวงปู่มั่นก็มีนะหลวงปู่มั่นท่านก็บอกเหมือนกันลูกศิษย์บางคนท่านไม่เรียกลูกศิษย์นะเนาะบางคนมาหาท่านนะ ท่านกน็พยายามเตือนว่าอวดเชี่ยวคือหมาอวดงาคือช้างคือภาษาอีสานนะแปลว่าเหมือนมาถึงก็อวดเชี่ยวเหมือนหมามเนี<ม>่กูเก่งกูใหญ่กูแน่นะี่อวดเชี่ยวเหมือนหมาอวดงาเหมือนช้างนะถ้าพูดภาษาภ า, า, าคกลางนีเพราะฉั้นไะอนะนะ้คนชนิดนี้มีทุกยุคทุกสมัย สมัยพุทธกาลก็มีมาหาพระพุทธเจ้าใช่ไหอย่างสัจจการนิครณเจอกะจะมาสัดสมณาคโคดมให้จอดเลยจะมาโตวัตีด้วยเจอคำถามข้อสีห้า 4, ประโยคก็ง่ายท้องเลยเจอประโยคแรกก็จะช็อกแล้วพอรู้แล้วว่าแพ้ท่านพูดประโยคเดียวก็รู้ ว, ว่าแพ้แล้วแต่ก็ฝืนใจสู้เพราะว่ามีศักดิ์ศรี เพือในประเภทที่มาหาครูบาอาจารย์แล้วมากลางเชี่ยวกลางเล็บมานี่มีทุกยุคทุกสมัยอะยุคเรายังเชี่ยวยาวมากเลยนะอมีเยอะอย่างหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจาร ย, ย์ไปด้วยใจที่อ่อนอ่อนโยนอ่อนน้อมไปเพื่อจะปรับปรุงตัวเองไม่ใช่ไปเพื่อจะลําพองไปอ้วกอวดว่าครูดีอย่า ง, งนู้นเก่งอย่างนี้ถ้าดีจริงน้องพนทุกข์ละ หลวงพ่อสอนตัวเองนี้นะถ้าดีจริงต้องผลทุกข์ถ้ายังไม่ผลทุกข์ยังไม่ดีจริงอ่ะงั้นไปบางทีถูกครูบาอาจารย์ดุนะบางทีท่านตาวาดเคยโดนครูบาอาจารย์ตาวาดคืออาจารย์บุญอาจาร์ตาวาดหลวงพ่อบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกตอนนั้นก็ไปหลงสมาธิชนิดหนึ่งนะไม่จับทั้งอารมณ์ไม่จับทั้งจิตไม่จับอะไรเลย ด้วยหลงสมาธิอย่างนั้นก็ทําอยู่ทําแล้วสักช่วงหนึ่งนะรู้ว่าเนี่ยเป็นสมถนะก็ไปเรียนหลวงปุ่เทศท์มันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสมถะท่านบอกสมถะแต่ฝึกไว้นะเพราะสมาธิแบบนี้ไม่มีคนเล่นนะฝึกไว้ให้ชํานาญให้เป็นสมาธิหลายๆอย่างเยอนะแยะะแต่ไปเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ท่านไม่ได้บอกประโยคนี้นะท่านบอกให้เรียนไว้ให้เข้าใจแต่ชาญไว้ บอกท่านว่าผมกลัวติดท่านบอกถ้าติดอตาตมาจะแก้ให้เนะียก็เลยเล่นมาเรื่อยมาเจอหลวงปู่ปุญจันทร์ท่านตบบาทเนาะเราเล่นมากเกินไปลนะเล่นไม่เลิกนะท่านตบบาทเนะทาะตั้งแต่นั้นเลิกเล่นไม่เล่นละครูบาอาจารย์บ้าแล้วไม่เอาแนะ้วไม่ใช่กูเก่งนะโทษท่านะเข้าแบบผมไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะไม่เข้าใจอันเนี้ลึกซึ้งนะโอ้ยถ้าหลวงพ่องี่เงาอย่างนั้นนะ เอาหัวมุดซ่วมตายซะดีกว่าหัวนะดีเพราง้นไปหัดดูจิตดูใจของเรานะดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยทุกครั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงตามรู้ตามดูไปจนถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเนี่ยเท่าเทียมกันจิตจะหมดความดิ้นรนนะแล้วถ้าบุญบารมีมากพออริยมรรคจะเกิดเอง ไม่มีใครสั่งให้เกิดมรรคผลได้นะมันเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณนะ์ไม่ใช่เกิดเองด้วยการทำใจให้ว่างะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาไม่มีเลยนะใช้ไม่ได้ไปกินข้าวไปนี่หมดนะครับ